เมียข้ามชาติชายคนหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถเลี้ยงดูพัรรยาได้ถึงสี่คนเมื่อเขากำลังจะตายก็ เ, เรียกเมียคนที่สี่ซึ่งเป็นคนล่าสุด และสาวสุดมาที่ข้างเตียงยอดรักเขาพูดพลางลูบคลำเรือนร่างอันงดงามของเธอพี่จะตายในวันสองวันนี้แล้วชีวิตหลังตายคงจะงอยเหงามากเมื่อปราศจากน้องน้องจะไปกับพี่ไหม ไม่ไปค่ะสาวสวยกล่าวชัดเจนน้องจะต้องอยู่น้องจะกล่าวสรรเสริญคุณพี่ในงานศพแต่น้องไม่สามารถจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้ว่าแล้วเธอก็ก้าวฉับๆออกจากห้องไปการปฏิศเสธอย่างไร้เยื่อใยของเธอ ราวกับมีดกรีดหัวใจเขาเขาได้ทุ่มเทดูแลภรรยาคนล่าสุดอย่างมากมายเขาภูมิใจในตัวเธอนักหนาถึงขนาดเลือกเธอให้เป็นผู้เคียงคู่ออกงานสําคัญทั้งหลายเธอทำให้เขาภาคภูมิใจในความชาราของเขาเขารู้สึกประหลาดใจที่ได้พบว่าเธอไม่ได้รักเขาเช่นที่เขารักเธอ ไม่เป็นไรเขายังมีเมียอีกทั้งสามคนดังนั้นเขาจึงเรียกเมียคนที่สามที่เขาได้มาเมื่อไัยกลางคนเขาต้องทุ่มเทอย่างหนักกว่าจะชนะใจเมียคนที่สามเขารักเธออย่างลึกซึ้งเพราะเธอทําให้เขาสนุกสนานมีชีวิตชีวามากเธอมีเสน่ห์แรงจนเป็นที่หมายปองของชายหลายคน แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังซื่อสัตย์ต่อเขาเสมอต้นเสมอปลายเธอทำให้เขารู้สึกมั่นคงไร้กังวลที่รักเขากล่าวพร้อมกับกอดเธอไว้แน่นพี่จะตายในวันสองวันนี้แล้วชีวิตหลังตายคงจะห่วยเหนามากเมื่อปราศจากน้องน้องจะไปกับพี่ไหม ไม่อย่างแน่นอนหญิงสาวที่ล่อลวงให้เขาหลงกล่าวเน้นด้วยมาดนักธุรกิจน้องไม่มีวันจะทำเรื่องพันนั้นเด็ดขาดน้องจะจัดงานศพให้พี่อย่างหรูแล้วหลังจากนั้นน้องก็จะไปใช้ชีวิตกับลูกชายของพี่ อนาคตที่เมียคนที่สามเตรียมจะนอกใจนั้นสั่นคลอนเข้าไปถึงไส้เลยทีเดียวเขาไล่เธอออกไปแล้วเรียกเมียคนที่สองเข้ามาเขาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาพร้อมเมียคนที่สองเธอไม่ใช่คนมีเสน่ห์ น, นักแต่เธอพร้อมเสมอที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาและให้คําแนะนํา ที่มีค่ามหาศาลเธอเป็นเพื่อนที่เขาไว้วางใจที่สุดเมียรักเขาเอ่ยขึ้นพร้อมกับจ้องเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของเธอ ผมจะตายในวันสองวันนี้แล้วชีวิตหลังตายคงจะงงอยเหงามากเมื่อปราศจากคุณคุณจะไปกับผมไหมเสียใจคะ่ะเธอกล่าวขออภัยฉันไม่สามารถจะไปกับคุณได้หรอกฉันจะไปไกลที่สุดได้ถึงหลุมศพคุณ แต่จะไม่มีวันไปไกลกว่านั้นด้วยหัวใจที่ใกล้จะแตกสลายเขาเรียกหาเมียคนแรกที่อยู่กับเขามานานแสนนานแต่เขาได้ทอดทิ้งเธอในช่วงหลังๆตั้งแต่เขาได้เมียคนที่สามซึ่งแสนจะทรงสเสน่ห์และเมียคนที่สี่ผู้เป็นดาวดวงเด่น ทั้งๆที่จริงๆแล้วเมียคนแรกนี้เป็นคนสำคัญที่สุดสาหรับเขาเธอช่วยเขาอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆมาโดยตลอดเขารู้สึกละอายใจเมื่อเธอเดินเข้ามาแต่งตัว ป, นปอนๆและมีร่างกายผายผอมที่รักเขากล่าวอย่างวิงวอน ฉันจะตายในวันสองวันนี้แล้วชีวิตหลังความตายคงจะงอยเหงามากเมื่อปราศจากเธอเธอจะไปกับฉันไหมฉันจะไปกับคุณอย่างแน่นอนเธอตอบอย่างสงบฉันไปกับคุณเสมอทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า เมียคนแรกเราเรียกว่ากรมเมียคนที่สองมีชื่อว่ารครอบครัวเมียคนที่สามคือทรัพสมบัติและเมียคนที่สี่ คือชื่อเสียงโปรดอ่านเรื่องนี้อีกครั้งทีนี้เราจะได้รู้จักเมียทั้งสี่เมียคนไหนละ่ะที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดี